วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองันห้ารกสิบดเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันแรกของปี2568ัน้าหสบดเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราเมื่อเป็นวันขึ้นปีใหม่ เราก็จะเข้าวัดกันเพื่อไปขอพอรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนพรที่เราจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นพรที่เราอาจจะไม่ต้องการก็ได้เพราะว่า พรนี้มีอยู่สองชนิดด้วยกันในโลกนี้พรทางโลกและพรทางธรรมพรทางโลกนี้เป็นอะไรก็คือการเจริญในลาบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่าพรทางโลกที่พวกเราทุกคนรู้จักกันดี และมีความปรารถนาที่อยากจะได้กันพรทางธรรมนี้คืออะไรพรทางธรรมก็คือการปฏิบัติละการละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อปิดประตูบายและทำบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมเพื่อเป็นการเปิดประตูสวรรค์และ ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อเปิดประตูพระนิพพานนี่คือพอรทางธรรมพรทางโลกนี้เป็นพรชั่วกราวไม่ยั่งยืนมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาที่ร่างกายตายไปราบยศเรรเสริญสุข ที่มีอยู่ที่หามาได้นี้ก็จะต้องหมดไปใจไม่สามารถเอาพอรทางโลกไปได้ไม่สามารถเอาลาบยศเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้เพราะว่าไม่มีร่างกายร่างกายเป็นผู้ที่หาและใช้ความสุขทางโลก พอร่างกายแก่เจ็บตายไปพรทางโลกก็หมดไปแต่พรทางธรรมนี้เป็นพรที่จะอยู่คู่กับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะเอาพอรทางธรรมติดตัวไปถ้ามีพรทางธรรมติดตัวไป ใจก็จะไปสู่สุขคติไปสู่พระนิพพานตามลําดับพร น, น, นี้แหละจึงถือว่าเป็นพรที่แท้จริงคือพอรทางธรรมถ้าเรามากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะให้พรให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงเพื่อที่เราจะได้ปิดประตูวบาย ให้เราทำบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมเพื่อที่เราจะได้เปิดประตูสวรรค์และให้เราบำเพ็ญจิตตะภาวนาขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเปิดประตูพระนิพพานนี่แหละคือพรที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมอบให้กับพวกเราในวันขึ้นปีใหม่นี้ก็ อ, อยู่ที่เราว่าเราจะ ยินดีงามรับเอาไปปฏิบัติหรือไม่พ่อผ่อนทางธรรมนี้เราต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเองพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติผ่อนทางธรรมนี้ให้กับเราได้ไม่สามารถละการกรรมบาปทั้งปวงให้กับเราได้ไม่สามารถ ทำบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมให้กับเราได้ไม่สามารถบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อขัดเกลจิอนจิตใจเพื่อเปิดประตูพระนิพพานให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเองพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงผู้บอกทางเป็นผู้สอนเราให้เราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ พราะถ้าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่ดีต่างๆก็จะตามมาตามลำดับ mm hmm. เช่นถ้าเราละการกระทาบาปทั้งปวงได้บาปคืออะไรบาปก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดและการดื่มสรายามเมา และการเสกอบายามุกต่างๆนี่คือการกระทำที่จะทำให้เกิดโทษต่อจิตใจเวลาทำบาปแล้วขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บาปนี้จะทำให้ใจทุกร้อนขึ้นมาสังเกตดูเวลาที่เราไปทำบาปใจเราจะรู้สึกไม่สบายใจเราไม่อยากจะให้ใครรู้เราไม่อยากที่จะต้องไปรับโทษ ของการทำบาปของเราความอยากเหล่านี้จะทําให้ใจเราทุกเวลาที่เราทําบาปแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปเราสามารถรักษาศี่ห้าได้เป็นปกติเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดไม่รู้สึกเดือดร้อนไ ม, ไม่รู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะว่าเราไม่ได้ทํา เหตุที่ทำให้เราวิตกกังวลไม่หวาดกลัวขึ้นมานั่นเองนี่เปนคือผลใ น, นแรกที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราทำบาป ก, กันในขณะที่เรายังมีร่างกายอยู่ใจเราจะทุกข์ร้อนขึ้นมาแล้วก็ยังมีผลที่จะตามมาอีกต่ออีกตอนหนึ่งคือตอนที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว เวลาร่างกายตายไปใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี้ยังอยู่ต่อไปอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณแล้วก็จะถูกอิทธิพลถ้าเราทำบาปบาปนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะจัดการกับดวงวิญญาณของเราคือจะส่งให้เราไปเกิดในอบายสี่สถานด้วยกัน อบาก็คืออบายก็คือพบที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขได้แก่หนึ่งเดรัจฉานสองเปรตสามอสุรกายและสี่นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปด้วยเหตุผลต่างๆถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสูรรกายเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะไปนรกเป็นดวงวิญญาณที่ถูกไฟ ของความมาคาดพยาบาทเผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้พวกเราไปกันเพราะอาบายนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนคุกตารางในโลกนี้นั่นเองเวลาคนที่ทาผิดกฎหมายก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปขึ้นศาลเมื่อศาลตัดสินว่าผิดก็ต้องไปติดคุกติดตาราง ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่มีใครอยากจะไปกันเพราะในคุกในตารางนี้มันไม่สุขมันไม่สบายมันไม่มีอิสระภาพเหมือนกับอยู่นอกคุกนอกตารางนั่นเองแต่ถ้าเราทำบาปแนละ้วเราจะไม่สามารถที่จะหนีจากวิบากกรรมของการทำบาปได้กฎแทนกรรมนี้เป็นกฎตายตัว ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎทางโลกกฎหมายทางโลกนี่ยังมีการซื้อกันได้อยู่ทำผิดกฎหมายแต่ถ้ามีอำนาจเงินหรืออานาจอย่างอื่นก็อาจจะสามารถเปลี่ยนคำตัดสินจากผิดให้เป็นถูกได้จากการที่จะต้องไปติดคุกติดตารางกับไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้แต่ กฎแห่งกรรมนี้เราไม่สามารถที่จะใช้อำนาจเงินหรืออำนาจอะไรทั้งหลายมาหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมได้ถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความมาคาดพยาบาทเครียดแคน ก็จะไปนรกวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราไม่ไปไปอบายได้ก็คือการไม่กระทำบาสนั่นเองด้วยการรักษาศีลห้าให้เป็นปกติและเด็กเลีเ่ยงการเสพอบายมุขที่มีอยู่ห้าชนิดด้วยกันคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการทานันสามการเที่ยวกลางคืน สี่ความเกลียดคร้านและห้าการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรทําไมเราไม่ควรครบกับคนที่ชอบอบายามุขเพราะถ้าเราครบกับเขาถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบดื่มสุรายามเมาเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรายามเมาถ้าเขาชอบ เที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนถ้าเขาชอบความเกลียดคร้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดคร้านการกระทาเหล่านี้คือการเสพอาบายามุขเหล่านี้ไม่ได้มีรายได้ให้กับเราส่วนมากจะเป็นการเสียเงินเสียเงินทองเพราะว่าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย การพนันถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะกําไรอาจจะรวยแต่เมื่อเวลาได้กําไรได้รวยก็อยากจะเล่นต่อพอเล่นต่อไปเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องขาดทุนพอขาดทุนก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อไปอีกก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะต้องสูญเสียเงินทองทรัพย์สินที่มีอยู่ไปเวลาเงินทองหมดก็อาจจะต้องเอาทรัพย์สิน ที่มีอยู่ในบ้านนี้เอาไปขายขายทรัพยบสินแล้วเราไปเล่นต่อพอเงินหมดเนี่ยก็อยากจะเล่นต่ออีกก็ต้องขายบ้านขายที่ดินแล้วพอขายที่ดินหมดแล้วถ้ายังอยา ก, ยากเล่นต่อก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นพ อ, อใช้เงินที่กู้นี้ยืมสินมาหมดไม่มีเงินไปคืนเจ้าหนี้ก็ต้องไปหาเงินมาคืนเจ้าหนี้ ด้วยวิธีการไปกระทำบาปเช่นไปช่อโกงหลอกลวงไปป้นไปจี้เงินจากล้านทองบ้างจากสถานที่ค้าขายต่างๆบ้างไม่ช้าก็เร็วถ้าเล่นการพ น, น, นันแล้นก็จะต้องไปทำบาปเวลาที่เงินทองหมดนั่นเองเช่นเดียวกับการเที่ยวกลางคืนก็เหมือนกัน การเที่ยวกลางคืนก็จะต้องใช้เงินใช้ทองถ้าเที่ยวบ่อยๆเที่ยวเรื่อยๆก็จะไม่อยากจะไปทํางานทําการเพราะต้องเที่ยวดึกนอนดึกตอนเช้าก็จะไม่ได้ตื่นไม่ทันไปทํางานไม่ได้ก็จะตกงานรายได้ที่เคยมีก็จะไม่มีมีแต่รายจ่ายที่เกิดจากการไปเที่ยวเวลาเที่ยวแล้วมันจะติดเวลาเล่นการพนันแล้วมันจะติดมันจะเลิกยาก ก็เลยเที่ยวต่อไปต่อไปเงินทองที่มีอยู่ก็จะหมดไปพอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินทองโดยด้วยการกระทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งช่อโกองบ้างลักทรัพย์บ้างโกหกหลอกลวงบ้างเป็นต้นอ <c oughs> นี่คือเรื่องของอบายามุขที่เป็นผู้ที่จะผลักดันให้ใจไปกระทําบาปเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อติดอบายามุกแล้วนี่มันก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆมืนเป็นยาเสพติดอย่างหนึง่งเช่นสุรายาเมานี่ก็เป็นอบายามุกหรือยาเสพติดต่างๆของพวกนี้เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะทําให้เกิดอาการมึนเมาเกิดอาการขาดสติจะทําให้ไปทําบาปได้ง่ายเพราะว่าไม่มีสติคอยยับยัง้งความคิดนั่นเอง แต่เวลาที่ไม่มึนเมาเวลาที่มีสติเวลาที่คิดจะไปทำบาบนี้ mm hmm. ก็จะมีสติขอยับยั้งได้ mm hmm. นี่คือสิ่งที่จะพาให้ดวงวิญญาณของเราหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วไปเกิดในอบายถ้าเรามาเกี่ยวข้องกับกับอบายามุกแล้วต่อไปอบายามุกนี้ก็จะพาให้เราไป ทำบาปทำกรรมต่างๆถ้าไม่อยากจะไปอบาย<ๆ>ไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้าง<ๆ>ก็ให้เรารักษาศีลห้าให้ดี<ๆ>ถ้าเรารักษาศีลห้าแล้ว<ๆ>เราจะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย<ๆ>เราก็จะปิดประตูอบายได้ น, นี่คือข้อที่หนึ่งพอนันประเสริฐข้อที่หนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้จิตใจเราไปเกิดนอบายไปติดคุกติดตารางในโลกทิพนั่นเองข้อที่สองเมื่อเราปิดประตูบายได้แล้วก็ให้เรามาเปิดประตูสวรรค์กันการที่เราจะเปิดประตูสวรรค์เพื่อไปเข้าไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้เราก็ต้อง สร้างเหตุที่ทำให้จิตใจของเราเข้าสู่สวรรค์ได้เหตุที่จะทำให้จิตใจเราไปสวรรค์ได้ก็คือการทำบุญทำทานชนิดต่างๆนั่นเอง mm hmm. เวลาที่เราทำบุญทำทานแต่ละครั้งใจของเราจะมีความสุข mm hmm. มีความอิ่มเอิใจมีความสุขใจเพราะเราได้ชนะอำนาจของกิเลสความโลภที่อยากจะได้เงิน หรือความหวงที่อยากจะรักษาเงินทองไว้ให้อยู่กับตนไปเรื่อยๆคือความตเนร์พอเราชนะความโลภความตเนร์ได้ใจเราก็จะรู้สึกเบารู้สึกสุขขึ้นมาใจที่มีความสุขนี้แหละคือสวรรค์เวลาที่ร่างกายตายไปบุญที่เราได้ทำไวน้นี้ยังอยู่กับใจอยู่ความสุข ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยการทำบุญทำทานชนิดต่างๆนี้ยังอยู่กับใจอยู่แล้วก็จะมาแสดงผลตอนที่ร่างกายของเราตายไปแล้วบุญนี้จะเป็นพาใจของเราให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ก็มีแบ่งไว้หกชั้นด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับว่าทำมากทำน้อยทำมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงทำน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำ ความสูงต่ำก็คือความสุขมากความสุขน้อยนั่นเองถ้าทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงที่มีความสุขมากมากกว่าทำบุญน้อยที่มีความสุขน้อยกว่า mm hmm. ท่านก็แบ่งไว้เป็นหกชั้นด้วยกันก็นอยู่กับการทำบุญของเราว่าเราทำมากทำน้อยลองสังเกตดูเสีเวลาที่เราทำบุญเวลาที่เราทำน้อยๆยเราจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขไม่มาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่เราทําบุญมากๆเราจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่านั่นแหละเป็นเพราะว่าการเสียสละของเราเสียสละมากน้อยนั่นเอง mm hmm. การชนะกิเลสของเราชนะกิเลสได้มากได้น้อยกิเลสก็คือตัวที่หวงเงินหวงทองตัวที่มีความตันีิตัวที่มีความยึดติดอยู่กับเงินทองเนี่ยตัวนี้จะคอย กดจิตใจของเราให้คับแคบทำให้จิตใจเรามีแต่ความวิตกกังวลห่วงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแทนที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองแล้วจะมีความสุขสบายใจกับมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของตนจะต้องคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยห่วงแต่พอเราเอามาแบ่งมาทาบุญ เงินส่วนที่เราได้ทำบุญไปนี้มันก็ไม่ได้มาเป็นภาระกดดันจิตใจเราอีกต่อไปพอภาระกดดันของเงินที่เราเราให้ทาบุญทำทานไปพอทำไปแล้วใจเราก็จะเบาใจเราก็จะเย็นจะสุขขึ้นทันที <c oughs> ความสุขใจนี้แหละคือสวรรค์เวลาที่ร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจจะอยู่ในสวรรค์อยู่กับความสุขสวรรค์นี้มีลักษณะอย่างไรก็ให้เราเปรียบเทียบดูกับตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับร่างกายนี้จะเหมือนเป็นคนตายชั่วคราวร่างกายจะไม่ได้ทำอะไรปกติเวลาที่เราตื่นเราจะใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆแต่พอเวลาที่เรานอนหลับ ก็เป็นเหมือนกับร่างกายตายชั่วข้าวนี่เวลาที่ร่างกายตายใจก็จะต้องไปอยู่ในโลกทิพย์ไปเสกความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากการทําบุญหรือทําบาปถ้าเราทําบุญและบุญนี้มีมีอำนาจมีพลังมากกว่าบาปที่เราทําบุญก็จะส่งผลเป็นผู้ที่ส่งให้เราไปสวรรค์สวรรค์นี้มีลักษณะอย่างไร ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลานอนหลับเวลาเราไปสวรรค์ไปอย่างไรเราก็ไปในรูปแบบของความฝันนี่เองฝันดีเวลาเรานอนหลับบางทีเราฝันดีมีความสุขมากบางทีความฝันนี่มันดีกว่าชีวิตจริงของเราซะอีกพอเวลาที่เราตื่นขึ้นมานี้บางทีเราไม่อยากจะตื่นจะได้ซ้าไปเราอยากจะกลับไปนอนต่ออยากจะไปฝันต่อ เพราะว่าความฝันนี้มันให้ความสุขกับเรามากกว่าความจริงเวลาที่เราตื่นขึ้นมานี่แหละคือลักษณะของโลกทิพย์เวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันดีอันนี้เป็นเหมือนกับหนังตัวอย่างบอกให้เรารู้ว่าต่อไปเวลาที่เราตายไปเราจะอยู่ในโลกทิพย์ที่ใช้ความฝันเป็นเครื่องอยู่ แต่เราจะฝันดีฝันแต่เรื่องดีๆฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้พบกับคนนั้นคนนี้ที่มีความสุขให้ความสุขกับเรานี่คือเรื่องของโลกทิพย์โลกที่ใจของเราจะต้องไปอยู่หลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเราจะอยู่ในลักษณะไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราได้ทำเอาไว้ว่า ส่วนไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่ากันบาปก็จะดึงให้เราไปอยู่ในในโลกในในอบายในอบายก็จะมีความฝันต่างๆและถ้าเราเป็นเปรตทำบาปด้วยความโลภเราก็จะมีความฝันที่เวลวร้ายเกี่ยวกับความหิวโหยต่างๆเช่นอาจจะไปอยู่แบบอดอยากขาดแคลนขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ ทำให้หิวโหยเนี่ยดวงวิญญาณที่หิวโหยนี่แหละเป็นผู้ที่จะมาขอส่วนบุญจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้ได้ส่งบุญไปให้เขาบ้างเพราะว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเขาลืมทำบุญด้วยอำนาจของความโลภอยากได้มากๆเขาก็เลยเสียดายได้เงินทองมามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะให้ใครไม่อยากจะไปเอาไปทำบุญอยากจะเก็บไว้ใช้ อย่างเดียวก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ทําบุญพอตายไปเลยไม่มีบุญพาไปมีแต่ความหิวโหยพาไป<ม>เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย<ม>เป็นเปรต<ม>ก็จะฝันแต่เรื่องที่หิวโหย ม, มาสร้างความหิวโหยให้กับดวงวิญญาณนั้นดวงวิญญาณนั้นถ้ารู้ว่ามีพี่อาที่น้องอยู่ที่ตรงไหน<ม>ก็อาจจะมาเข้าฝัน ม, มาขอส่วนแบ่งส่วนบุญ<ม>ถ้าใครมา ถ้าใครนอนหลับแล้วฝันถึงคนตายนี้เรามักจะถือว่าดวงวิญญาณของคนนั้นเขาได้มาขอส่วนบุญเราก็มักจะตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะไปทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งจะไปบริจาคเงินให้กับใครก็ได้บริจากให้กับวัดก็ได้บริจากให้กับพระพระก็ได้บริจาคให้กับคนสามัญธรรมดาไม่ใช่เป็นพระก็ได้ โดยจากให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้การกระทาเหล่านี้ทําให้เกิดบุญขึ้นมาเหมือนกันทําให้เกิดความสุขใจอิ่มใจที่เราสามารถส่งความสุขใจอิ่มใจนี้ไปให้แก่ดวงวิญญาณที่หิวโหวยได้อันนี้คือลักษณะของโลกทิพย์โลกที่เราจะต้องไปอยู่กันต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราจะอยู่กับความฝันดีแล้วเราจะอยู่กับความฝันร้ายก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราได้ทำไว้ว่าอันไหนจะมีกำลังมากกว่ากันถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะส่งผลก่อนถ้าทำบาปมากกว่า บ, บุญบาปก็จะส่งผลก่อนพอบุญหรือบาปที่ได้ส่งผลแล้วนี้มันมันลดลงมาทาให บุญกับบาปมีกำลังเท่ากันเวลาใดที่บุญกับบาปในใจของเรานี้มีกำลังเท่ากันใจของเราก็จะไม่ได้อยู่ในสวรรค์เพราะบุญไม่มีกำลังที่จะดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในอบายเพราะบาปก็ไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปอยู่ในอบายได้เพราะมีบุญคอยดึงเอาไว้บุญกับบาปเท่ากันนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตอนที่คลอดออกมาใจของเราตอนนั้นจะมีบุญกับบาปเท่าๆกันมันจึงทำให้เราไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะมาทำบุญทำบาปต่อไปอีกรอบหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำบาปหรือเคยทำบุญมานั่นเองถ้าเราเคยทำบุญมาม า, มากกว่าทำบาปเวลาเรา กลับมาจากสวรรค์ sans, เราก็จะกลับมาทําบุญต่อเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราเคยชอบทําบุญเราก็จะมาทําบุญต่อถ้าเรามาจากกบายก็สแสดงว่าเราเคยชอบทําบาปมากกว่าชอบทําบุญพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาทําบาปต่อและอา น, นิสงค์ของการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อา น, นิสงค์ของบุญของบาปก็ยังมีติดมาด้วย จะทำให้คนที่ทำบุญคนที่ลงมาจากสวรรค์นี้จะมีร่างกายที่มีบุญบารมีคือมีลักษณะที่สวยงามนุปมล่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพแข็งแรงมีอาการครบสาสบสองไม่มีโรคภัยเบียดเบีย น, ยนมีอายุยืนยาวนานและมาเกิดในครอบครัวที่มั่งคัง่งมีฐานะ เช่นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าตอนสมัยเป็นพระเวชสันดรพระองค์ก็ทรงทําบุญทําทานอย่างอย่างเต็มที่มีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ยินดีเสียสละอยากจะสร้างบุญบา ร, รมีพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์แล้วหลังจากที่ลงมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นผู้ที่มีบุญบา ร, รมี มีทรัพย์สมบัติเป็นลูกของกษัตริย์มีประสาทสฤ ด, ดูมีบริษัทมีบริวารไว้คอยรับใช้คอยตอบสนองให้ความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคืออา น, นิสงส์ของการได้ทำบุญทาทานในอดีตชาติส่งผลให้เรานี้ อ, อยู่ในซีของสุคติคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในซีสุคติตายไปก็ไปสวรรค์ พอกลับจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทําบุญทําทานต่อแล้วพอตายอีกเราก็จะกลับไปในสวรรค์อีกก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติเหล่านี้ไปเรื่อยๆในทางกลับกันถ้าเราชอบทําบาปเวลาตายไปเราก็จะไปใช้กรรมในอบายแล้วพอหมดกรรมเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความด้อยในด้อยมีความอาภาพวาสนา มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสมีโรคภัยเบียเดเบียนบางทีก็มีอาการไม่ครบส2สองอายุสั้นเป็นต้นและมักจะมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนนี่เป็นอนิสงส์ของการกระทำบาปแล้วเราก็จะมาแล้วเราก็จะกลับมาทำบาปต่อเพราะเราเกิดในครอบครัวยากจนหากินแบบสุจริตก็หาไม่ได้มาก ก็อาจจะต้องหากินโดยวิธีทุจริตกลับมาทำบาปใหม่ต่อเพราะชาติก่อนก็ติดนิสัยของการทำบาปชอบทำบาปอยู่เพราะการทำบาปนี้มันเป็นการการหาเงินหาทองที่ง่ายสะดวกรวดเร็วนั่นเองแนะหา ม, มาได้มากกว่าการทำมาหากินแบบซื่อสัตย์ทุจริตคนที่มีนิสัยชอบทำบาปมาดิตชาติก็จะกลับมาทำบาปต่อไปตายไปก็จะไปเกิดในอบายต่อ ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในาบายไปอย่างในทุกขติไปเรื่อยๆตายไปก็ไปเกิดนาบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนสุลกายบ้างไปตกนรกบ้างพอพ้นจากอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาทําบาปใหม่ตามนิสัยเดิมอยู่เรื่อยๆก็จะเวียนว่ายอยู่ในทุกขติไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยได้ถ้ามาเกิด เวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับคนดีถ้าเราเคยชอบทำบาปแล้วพอมาเจอคนดีมาสอนมาบอกเราว่าการทำบาปมีผลอย่างนี้นะอย่างนี้นะถ้าไม่ทำเราจะไม่ต้องรับผลอย่างนี้ถ้าเราเชื่อเขาเราก็จะพยายามที่หยุดการกระทำบาปได้เ mm hmm. ช่นนี้เรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาหรือรามามาเกิดในคร อ, อบครัวที่ไม่ทำบาป ทำแต่บุญเขาก็จะสอนให้เราทำบุญสอนให้เราไม่ทำบาป เ, เวลาที่เราทำตามเขาแล้วเราก็จะเกิดความเห็นแตกต่างกันขึ้นม า, เ, าเวลาที่เราไม่ทำบาปแล้วใจของเรารู้สึกสบาย เ, าเวลาที่เราได้ทำบุญแล้วใจเราก็รู้สึกสบายาถ้าเราเคยมีนิสัยชอบทำบาปเราก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยไดไ้ไม่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีนิสัยชอบทำบาปแล้วเราจะต้องทำบาปไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับการที่เรามีนิสัยชอบทําบุญก็ไม่ได้ห ม, มายความว่าเราจะชอบทําบุญไปเรื่อยๆเพราะบางครั้งบางโอกาสถ้าเราไปเกิดในครอบครัวหรือในสังคมที่เขาทําบาปกันเขาก็อาจจะเป็นตัวที่คอยพ่อสอนคอยคอยครอบงําให้เราให้เราทําบาปอยู่เรื่อยๆพอเราทําบาปแล้วเราก็ อ, อาจจะรู้สึกว่าเออมดีเนาะหาเงินหาทองแบบนี้หาได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็อาจจะ เป็นนิสัยการทำบาปเปลี่ยนนิสัยจากการชอบทำบุญมาเป็นการกระทำบาปก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สังคมที่เราอยู่ด้วยครอบครัวที่เราอยู่ด้วยบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยพระพุทธเจ้าจาึงทรงสอนให้พวกเราถ้าอยากจะมีแต่ความสุขความเจริญให้เราเลือกคบคนอย่ากคบคนไม่ดีอย่าคบคนที่ชอบทำบาปทำกรรมให้คบกับคนที่ชอบทำบุญ ชอบทำบุญทำทานชอบรักษาศีลชอบปฏิบัติธรรมเป็นต้นเรียกว่าเป็นบัณฑิตคนที่ไม่ชอบทำบุญทำทานไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบปฏิบัติธรรมชอบกินเหล้าเมายาชอบเสพสลายาเมาชอบเสพอบายมุกชอบทำบาปเป็นคนที่จะพาให้เราไปสู่อบายกันนี่คือเรื่องของการ ทรับย์พรสองข้อจากพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งก็คือปิดประตูอาบายด้วยการไม่กระทาบาปไม่เสพอาบา ย, ยมุขแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติแล้วให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการต่างๆการทําบุญนี้สามารถทำได้ใ น, ในหลายรูปแบบด้วยกันแต่ผลที่ได้คือความสุขใจอิ่มใจนี้เหมือนกันคือการทาบุญนี้ มันมีผลไดส้สองระดับด้วยกันระดับแรกก็คือระดับที่เกิดจากใจของเราเองเวลาที่เราเสียสละเข้าของเงินทองที่มีค่าของเราให้กับคนอื่นไปเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนหรือเพื่อให้เขามีความสุข <Yeah. S 2> พอเราได้ทำแล้วใจของเราก็จะมีความสุขบุคคลที่รับของจากเรานี้จะเป็นใครก็เหมือนกัน จะเป็นพระก็ได้จะเป็นค า, าวาะก็ได้<ม>เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับผู้รับมันเกี่ยวกับการให้ของเรา<ม>การเสียสละของเราที่เราทําให้เกิดความสุขใจอิ่มใจแต่ถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วย<ม>เราก็ต้องเลือกว่าบุคคลนั้นเขาจะให้อะไรกับเรากลับมาได้บ้างเ<ม>ช่นถ้าเราอยากย้ายธรรมะมเราก็ต้องไปทําบุญกับพระที่มีธรรมะมากๆ ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ธรรมะมากที่สุดลองลงมาก็พระอรหันตสาวกลองลงมาก็พระอนาคามีพระสกิฎาคามีพระอรหันต์เพราะบุคคลเหล่านี้ท่านมีธรรมะมากน้อยต่างกันตามลําดับของการปฏิบัติของท่านถ้าเราทําบุญกับพระโสดาบันเราก็จะได้ฟังธรรมในระดับของโสดาบันถ้าเราทําบุญกับพระสกิฎาคามีเราก็จะได้ฟังธรรมในระดับของพระอนาคามี สกิรคาามีพระนาคามีเราก็จะได้ฟังธรรมระดับพระนาคาามีบุญกับพระอรหันต์เราก็จะได้ฟังธรรมในระดับของพระอรหันต์อันนี้ต่างกันบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยจะให้อะไรกลับมาตอบแทนเรานี้ต่างกันแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะรับของตอบแทนเราเพียงอยากที่จะทําบุญเพื่อให้เราสุขใจสบายใจเราจะทํากับใครก็ได้แม้กระทั่งทํากับสุนัข ก, ก็ได้เลี้ยงสุนัขจรจัด ดูแลสุนักที่จะบไข่ได้ป่วยรักษาพยาบาลหรือไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้หรือถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้ก<ม>ารกระทำเหล่านี้มันทำให้ใจเรามีความสุขเพราะเราได้เสียสละประโยชน์สุขของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้นั่นเอง<ม>เรียกว่าเป็นการให้ให้ความสุขแก่ผู้นแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราไม่ได้อยู่ที่ว่าบุบคคลที่รับความสุขจากเรานี้เป็นใคร ได้เหมือนกันดั mm hmm. งนั้นการทาบุญจะมีมีอ น, นิสงส์อยู่สองต่อด้วยกันต่อแรกก็คือการการได้รับความสุขจากการที่เราให้ความสุขกับผู้อื่นไปด้วยการเสียสละแบ่งปันของเรา mm hmm. แล้วก็อ น, นิสงส์ขั้นที่สอง mm hmm. ที่เราจะได้ก็คือจากบุคคลที่เราไปทาบุญด้วยถ้าเราต้องการธรรมะเราไปทาบุญกับพระที่มีธรรมะเราก็จะได้ธรรมะกลับคืนมา แต่ถ้าเราไปทําบุญกับคนที่ไม่มีธรรมะเราก็จะไม่ได้ธรรมะถ้าเราไปปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาไปถ่ายวัวถ่ายควายนี่เราก็จะไม่ได้ธรรมะจากบุคคลเหล่านั้นจากสัตว์เหล่านั้นเพราะเขาไม่มีธรรมะให้กับเราการทําบุญจึงมีสองลักษณะด้วยกันทําบุญเพื่อเลือกเลือกบุคคลที่เราจะทําด้วยหรือทําบุญแบบไม่เลือกบุคคล การทำบุญแบบไม่เลือกบุคคลก็คือเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยเราต้องการจะให้ความสุขกับเขาต้องการบรรทุบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่เขามีอยู่ให้บรรเทาให้น้อยลงไปเช่นเวลาที่เกิดภัยต่างๆเช่นวาตภัยอุกทภัยน้ําท่วมเราก็บริจาคเงินทองไปไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากโดยที่เราไม่รู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นใคร เพียงแต่เรารู้ว่าเขาตกทุกข์ได้ยากแล้ว เ, เงินทองของเราที่เราเสียสละไปนี้จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาได้<ม>เราก็จะได้ความสุขได้บุญจากการเสียสละอันนี้แต่เราจะไม่ได้รับอะไรจากเขา<ม>ถ้าเราอยากจะได้รับอะไรจากเขาเราก็ต้องไปทำบุญกับเขาโดยตรงเช่นถ้าเราอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเราก็อาจจะไปทาบุญที่โรงพยาบาล เวลาไปทำบุญที่โรงพยาบาลเราอาจจะได้คุยกับหมอหมออาจจะเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้มีวิธี ม, มีวิธีรักษาโรคแบบใหม่อย่างไรบ้างเป็นต้นเราก็จะได้ความรู้แบบนี้จากหมอถ้าเราไปทำบุญกับโรงโรงเรียนเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการเรียนการศึกษาจากครูอาจารย์ที่เราไปทำบุญด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเขามีอะไรที่จะตอบแทนเราที่เขาจะให้เราได้ ถ้าเราต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคลที่เราไปทาบุญด้วยเราก็ต้องเลือกบุคคลที่มีสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนั้นการทําบุญจึงมีสองลักษณะด้วยกันทาบุญเพื่อเลือกเพื่อเลือกทำบุญเพื่อเลือกบุคคลที่เราทำด้วยเพราะเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเขาเราก็ต้องเลือกว่าเขามีสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ถ้าเขาไม่มีเราก็ไม่ไปทาบุญกับเขาเช่นถ้าเราต้องการธรรมะต้องการคาสอนต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติธรรม เราก็ไปทําบุญที่วัดกันไปทําบุญกับพระกันเราจะไม่ไปทําบุญด้วยการไปปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยปลา ป, ป, ปล่อยนกเป็นต้นเพราะนกปลาเขาไม่มีธรรมะที่จะสอนเรา อ, อันนี้คือลัอกษณะของการทําบุญถึงมีมีลักษณะแตกต่างกันไปซึ่งถ้าไม่ศึกษารายละเอียดแล้วเราก็จะงงเพราะบางคนบอกต้องเลือกคนทําบุญต้องเลือกคนถึงจะได้บุญบางคนก็บอกไม่ต้องเลือกคนก็ได้บุญก็ถูกด้วยกันทั้งคู่แต่ถูกเพียงครึ่งเดียว ต้องเข้าต้องเข้าใจว่ามันมีสองประโยชน์ด้วยกันในการทำบุญประโยชน์ที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเงินทองของเราไปและประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยในวงนี้ก็คือวิธีการเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราถ้าเราทำบุญไปเรื่อยๆทุกวัน อ, อยู่เรื่อยๆในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วบุญที่เราทำนี้สะสมไว้แล้วมีมากกว่าบาปที่เราทาบุญก็จะเป็นผู้ที่จะสร้างความสุข สร้างสวรรค์ให้กับเราเวลาที่เราตายไปแล้วอ น, นี้คือวิธีการพรขั้นที่สองเป็นพรที่เราสามารถเอาติดไปกับใจเราได้ไม่เหมือนกับพรที่เราอยากได้กันคือความสุขในความเจริญในลาบยศเสริญสุขลาบยศเสริญสุขนี้มันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขงังอนัตตามันมีเจริญได้มันมีเสื่อมได้บางทีได้เงินทองมาไม่นานเงินทองก็หมดได้ ไดยยศได้ตำแหน่งมาไม่นานยศตำแหน่งนั้นก็หมดได้อันนี้พระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้เราแสวงหาอย่าหาพรทางโลกกันเ พ, อพอราะพรทางโลกนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ได้มีเจริญก็มีเสื่อมได้มีเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีการเจริญในสารเสริญก็มีการเจริญในในินทาได้ มีสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็จะมีทุกจากรูปเสียงกลิ่นรดได้เวลาที่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปหรือหมดไปนั่นเองเช่นเวลาเรามีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดของบุคคลนั้นบุคคลนี้เวลาเราได้อยู่ใกล้ชิดเขาเราก็มีความสุขแต่พอเวลาที่เขาจากเราไปเขาไม่ได้อยู่กับเราความสุขนั้นมันก็จะหายไปแล้วความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงให้พร ทางโลกกับพวกเราไม่ไม่ได้ให้เราเจริญในลาบยศสารเสิญสุขเพราะลาบยศสารเสิญสุขนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองให้เรามาเจริญพรทางธรรมที่ไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตต์เป็นสิ่งที่เราจะจะอยู่กับเราไปเรื่อยถึงแม้ว่าเวลามันหมดเราก็กลับมาเติมใหม่ได้อยู่เรื่อยๆเยช่นเวลาเราทำบุญรับใบสวรรค์ พอบุญหมดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาทําบุญใหม่เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับการถ้าเราไม่ทํำบาปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายนี่แต่เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆและการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายก็คือร่างกายของเราทุกคนมันก็ต้องมีความแก่ มีความเจ็บมีความตายตามมาทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายหรือความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพากจากกันถ้าเราไม่อยากที่จะมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้เราก็ต้องไปทำเราก็ต้องไปนิพพานกันไปเปิดประตูนิพพานกันเพราะว่าถ้าเราไปถึงนิพพานได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป วิธีที่จะทำให้เราไปไปนิพพานได้เราก็ต้องปฏิบัติจิตตภาวนาการปฏิบัติจิตตภาวนาก็คือการทําจิตใจให้สงบแล้วก็สอนจิตใจให้ฉลาดเป็นการปฏิบัติสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาทําจิตใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌานะขั้นที่สองสอนใจให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิด อะไรเป็นเหตุที่ทำมาให้เราต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆปัญญาถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าเหตุที่ทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาความอยากเราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเราก็ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่อยากจะกลับมามีร่างกายเราก็หยุดเสพกามะตัณหาหยุเสพความอยาก หยุดเสพหยุดหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสเท่านั้นเองวิธีที่จะหยุดการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็ต้องไปถือศีลกันถือศีลแปดศีลของนักบวชอย่างน้อยก็ต้องถือศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยี่บเจ็ดเพราะศีลเหล่านี้จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขจากการฝึกสตินั่งสมาธิ ทำใจให้สงบนั่นเองเวลาที่เราเจริญสติควบคุมความคิดได้เวลาที่ทเวลาเราจะมานั่งสมาธิจิตเราก็จะนิ่งจะสงบได้ง่ายได้เร็วแต่ถ้าเราไม่เจริญสติคอยควบคุมความคิดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิใจเราก็จะคิดฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้ถ้าเราต้องการให้จิตมีสมาธิให้จิตสงบ เข้าสมาธิเข้าฌานได้เราต้องไปฝึกสติก่อนสตินี้ต้องต้องพยายามฝึกทั้งวันเลยเพราะเราสามารถฝึกสติได้ตั้งแต่ที่เราลืมตาขึ้นมาไม่ว่าเราจะทำอะไรในระหว่างวันนี้เราสามารถเจริญสติควบคู่ไปได้เช่นพอเราเตื่นขึ้นมาเราจะเจริญสติด้วยการใช้พุโทโธก็ได้แล้วก็นึกบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ เวลาที่เราทําอะไรเราก็พุโทโธไปในใจอาบน้ำนั่งหน้าแปลงฟันเราก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็พุโทโธไปรับประทานอาหารเราก็พุโทโธไปเราจะหยุดพุดโทโธต่อเมื่อเรามีความจําเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องอะไรสักอย่างตอนนั้นเราก็หยุดพุดโทโธแล้วก็มีสติให้อยู่กับการคิดคิดคิดเท่าที่จําเป็นพอคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดใช้พุโทโธมาคอยกัน้นความคิดไว้ต่อไป แล้พอเวลาเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งหลับตาหาหามุมสงบที่ไหนสักมุมหนึ่งนั่งหลับตานะถ้าเรามีสติคอยควบคุมควางคิดใจก็จะนิ่งได้ง่ายสงบได้ง่ายและสงบได้นานด้วยอันะนี้คือวิธีการเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่หาความสุขโดยใช้ร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายเรามาหาความสุขโดยการใช้สติแทนนะถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกาย เราก็สามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดได้แต่การใช้สตินี้เป็นการการระ ง, งับการใช้ร่างกายเพื่อหาความสุขชั่อข่าวเพราะความสุขที่ได้จากสติสมาธินี้เป็นความสุขแบบชั่วข่าวพอเราออกจากสมาธิมาใจเราก็เริ่มคิดแล้วอาจจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้พอคิดแล้วเราก็ยังจะเกิดความอยากไปเสพได้อยู่ เพราะว่าสติและสมาธินี้ไม่สามารถทําลายอกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราได้เพียงแต่กดเอาไว้กันเอาไว้ท่านเปรียบเทียบสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเหินไปทับหญ้าแล้วหญ้ามันก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่มันไม่ตายพอเราเหินออกไปปล่อยให้หญ้ารับแดดรับฝนรับน้ําอยู่สักพักหนึ่งหญ้าก็งอกงามขึ้นมาใหม่ได้ สันได์กิเลก็เหมือนกับเป็นญ้าที่ถูกสมาธิกดเอาไว้พอออกจากสมาธิมากิเลสก็สามารถออกมาทํางานได้ตามความคิดต่างๆกิเลสใช้ความคิดเป็นเครื่องมือพอเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะเกิดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาทันทีวิธีที่จะทําให้เราหยุดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้อย่างถาวร น, นี้ก็คือให้เราใช้ปัญญาปัญญาที่พระเจ้าทรงตรัสทั้ว่าความทุกข์ใจของเรา ความไม่สงบความไม่มีความสุขของใจเหล่านี้เกิดจากความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆนี่เวลาเกิดความอยากแล้วใจเราก็จะกังวลกระวายกระสับกระส่ายอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สงบอยู่เฉยไม่ได้หมดเหยีดลำคาญใจขึ้นมาต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพถึงจะระงับความรู้สึกหมดเหยีดเศ้าส้อยหงอยเงาไว้ได้เพียงชั่วคราวแต่แต่สักพักหนึ่ง ความอยากใหม่ก็จะโผกขึ้นมาต่ออย่างนั้นวิธีที่จะทำให้เราหยุดความอยากได้เราก็ต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะเราต้องมีร่างกายถึงจะเสพรูปเสียงกดลิ่นรสได้<ม>แล้วการที่เราจะหยุดความอยากนี้ได้เราก็ต้องมองสิ่งที่เราอยากได้เช่นรูปเสียงกดลิ่นรสนี้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง รูปเสียงกินรถที่เราเห็นที่เราสัมผัสตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นหลักสุขกลายเป็นทุกข์ไปก็ได้เช่นเสียงคนวันนี้เขาอาจจะพูดดีชมพูดดีกับเราชมเราพรุ่งนี้เขาอาจจะโกรธเราเกลียดเราด่าเราก็ได้ <IT UR AN CE> ถ้าเราไปเจอเสียงไม่ดีเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาให้เราเห็นว่ารูปเสียงกิ่นรถเป็นทุกข์ <IT UR AN CE> เพราะมันเป็นของชั่วขา่าวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลามันดีมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันไม่ดีมันก็จะให้ความทุกข์กับเรา ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็อย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสกลับมาทําใจให้สงบอยู่เฉยๆดีกว่าหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้ใจเราก็จะกลับมาสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะว่าความไม่สงบนี้เกิดจากความความอยากพอเราหยุดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธินี่คือวิธีการที่เราจะหยุดความอยากต่างๆเวลาที่มันเกิดขึ้นมาได้ ต้องใช้ปัญญาเห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจเราไม่สงบไม่มีความสุขและสิ่งที่ใจอยากมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาพอเราเห็นโทษของความอยากเห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์ต่อไปความอยากที่มีอยู่ในใจมันก็จะหมดไปพอไม่มีความอยากลงเหลืออยู่ในใจใจก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป<ม>เหตุที่พาให้ใจไปเกิดเพราะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ก็ต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอเราหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นเราได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดเด็กต่อไปไม่ต้องมีร่่งกายมไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายต่อไป<ม>นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการเปิดประตูาบาย<ม>ด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนา<ม>การภาวนานี้จะเป็นไปได้ดีก็ต้องอาศัยการสนับสนุนของศีล ศีลแปดขึ้นไปเพราะถ้าเราไม่มีศีลแปดนี้เราถือเพียงศีลห้านี้เรายังสามารถไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้อยู่เพราะศีลห้าไม่ให้เราระงับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเช่นถ้าเราถือศีลห้าเรายังร่วมร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่แต่ถ้าเราถือศีลแปดนี้เราจะไม่สามารถร่วมหลับนอนกับแฟนเราได้เราต้องอยู่แบบเป็นพรหมจรรย์ ไ ม, ไม่ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราใช้กับการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนี้มาให้กับการเจริญสติมาให้กับการนั่งสมาธินั่นเองคือเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากการเสพกามก็มาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบอันนี้ก็คือเราต้องรักษาศีลแป ส, นสินข้อสามก็เปลี่ยนไปเป็นป ร, ร, รมจจริยาไม่ไม่ร่วมหลับนอนกับใครศินข้อหกก็คือไม่กินอาหารมากเกินไปไม่กินอาหารตามความอยากกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายพออยู่ได้ไปแต่ละวันก็พอก็ไม่ต้องกินมากไม่ให้กินหลังเที่ยงวันไปแล้วกินอย่างมากก็สองมือ้อหรือถ้าน้อยก็กินวันละมื้อก็ได้ยิ่งกินน้อยยิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้ไม่ขี้เกียจไม่ง่วงเหงาเหานอนแต่าทาให้มีความขยัน ขยันที่จะนั่งสมาธิขยันที่จะเดินจงกรมขยันที่จะเจริญสติอยู่เรื่อยๆอันนี้คือประโยชน์ของการรักษาศีลข้อหคือจะให้ไม่ไม่กินมากเกินไปจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติถ้าเรายังกินอยู่เรื่อยๆเราก็จะมาคอยกังวลคอยคิดแต่เรื่องเรื่องการกินอยู่เรื่อยๆการที่จะไปหยุดความคิดการที่จะไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็จะทําได้ยากเพราะใจเรามักจะคิดถึงอาหารคิดถึงขนมอยู่เรื่อยๆนั่นเอง แต่พอเราถือศีลแปดตั๊บเรารู้แล้วว่าหลังเที่ยงวันไปแล้วเราหมดศีลละจะคิดยังไงจะอยากยังไงก็ไปกินไม่ได้แล้ว<ม>อันนี้ก็เป็นประโยชน์เ<ม>พื่อที่เราจะได้ระ ง, งับความคิดปรุงแต่งเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราไปหาหาอาหารมารับประทานนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ<ม>แล้วศีลข้อเจ็ก็เหมือนกันศีลข้อเจ็ดคืเราระ ง, งับการหาความสุขจากมหัศรศพบันเท ง, งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้หาความสุข ให้เราไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรรต่างๆให้เอาเวลาที่เราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้มาให้กับการเจริญสติมานั่งสมาธิ ด, ดีกว่าเพราะความสุขที่เราได้จากได้การนั่งสมาธินี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากราบยศจากรูปเสียงกลิ่นรสผดานั่นเองถ้าเราได้สัาผักับความสุขที่เกิดจากทางสง บ, บแล้ว เราจะเบื่อหรือเราจะไม่ยินดีกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะพยายามหาเวลาเพิ่มมากขึ้นให้กับการปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญา<ม>เพื่อรักษาใจของเราให้สงบไปอยู่เรื่อยๆ<ม>เพื่อเราสามารถรักษาใจให้สงบด้วยการกำจัดความอยากต่างๆหมดสิ้นไปจากใจแล้ว<ม>ใจเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไป อันนี้แหละเป็นพอนันประเสริฐที่สุดพอนันเลิศที่สุดก็คือพระนิพพานพระนิพพานนี้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราแล้วก็ใจของเราจะเป็นใครก็ได้จะจะเป็นพระก็ได้จะเป็นคารวะก็ได้จะเป็นหญิงเป็นชายก็ได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีคนไปถึงพระนิพพานทุกเพศทุกวัยพระเป็นพระไปนิพพานก็มีเป็นคารวะไปนิพพานก็มี เป็นพิกูุน์ไปนิพพานก็มีเป็นค า, าวาสมีอุบาสิกาไปนิพพานก็มีมีสามัญไปนิพพานก็มีมีทุกเพศทุกวัยทั้งหญิงทั้งชายมันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยมันอยู่ที่ใจที่มีมีการปฏิบัติตามที่พระุทธเจ้าส่งมอบให้หรือเปล่าคือการปฏิบัติตามพรสามขั้นนี้หรือเปล่าคือขั้นที่หนึ่งละการกระทําบาปทั้งปวงเพื่อปิดประตูบายสอง สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยกา ร, ด, การด้วยการเพื่อเปิดประตูสวรรค์และสามบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อขัดเกาวจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ<ม>์ถ้าสามารถรับพรทั้งสามข้อ น, นี้ไปปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์พรที่จะตามมาก็คือจิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาอันนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่อายุ อ, อายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยวเป็นพระหรือเป็นฆราวาสไม่เกี่ยว เป็หญิงเป็นชายไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติรับพรสามพรนี้จากพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่าถ้าเรารับได้เราเราเระ ร, รับการกระทำบาปทั้งปวงได้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริบสุทธิ์ได้เราก็ไปนิพพานได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือพรที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมอบให้กับเราในวันขึ้นปีใหม่นี้ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะน้อมรับเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวะริวะหาปูราปริปุเรนติสากขละเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุ ป, ปการปฏิ ปิตต่างปฏทธิต่างตุ მ หังคิดเปเมวะสมิจชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวัจฉันตุสัพพโลโควินัสตุมเตภาวัตวันตารโยสุขีติกายุโกภวะ อาพิวาทานาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารธรมาวะฏันตตอายุวันโนสุขังภาลามช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวที่เราจะมีการถามตอบ ก, กันหลังจากแรกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้ามาถามตอนนั้นก็จะไม่ได้คําตอบถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามตอนนี้จะถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ทาง Facebook 350 YouTube พระสุชาติ Live 382 YouTube ด r V 70 With You Online 19 Club House 4หน้ากูติ293รวม 1,118 ค่ะมีคําถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะให้อภัยทําอย่างไรคะ่ะทำไม่เป็นลืมมันไม่ลืมค่ะได้โปรดชี้ทางสว่างด้วยค่ะ อ๋อลืมไม่ลืมไม่สําคัญอ่ะอย่ไปทําร้ายของอย่าไปล้างแค้นคําว่าให้ภัยก็คือยกโทษให้เขาไปถ้าเขาเป็นหนี้เราเราก็ไม่ต้องให้เขาจ่ายหนี้ก็ได้เรื่องให้อภ mm ัย hmm. สงสารเขาเขาอาจจะเดือนร้อนไม่มีเงินที่จะมาจ่ายหนี้เราต้องเงินไปเลี้ยงลูกซื้อนมให้ลูกกินอะไรอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นการให้ทานไปแต่เรื่องเรื่องความจํานี้ไม่เป็นไรจําได้แต่จำแล้วอย่าโกรธแค่นั้นเอง จำไว้เพื่อเป็นบทเรียนว่าต่อไปอย่าไปให้ใครเขายืมเงินเราหรืออะไรก็ตามผิดพลาดไปแล้วก็ให้มันผิดครั้งเดียวอ ย, อย่าผิดซ้ํำซากอีกทําได้แต่ถ้าจําแล้วมันทําให้เราไม่สบายใจเราก็ใช้พุโทโธลบหนึ่ได้พอคิดถึงเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวถ้าพักหนึ่งมันก็หยุดคิดเองคำถามจากหนา้ากุฏิอีกท่านหนึ่งค่ะ หลานชายมาถามว่านั่งสมาธิแล้วเหมือนตกจากที่สูงมือใหญ่บางทีตัวเท่าไม้จิ้มฟันวูบวาบจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรดีคะให้รู้เฉยๆไปให้ถ้ามันเกิดอาการเหล่านี้เราอย่าไปตามรู้มันอย่าไปสนใจให้กลับมาหาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรี่ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความกลัวเท่านั้นเองเราไปกลัวมันเอง แต่ความจริงมันก็เป็นภาพท่านหนึ่งเป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มองอย่างนี้เอาห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดไปเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยมันจะรับขึ้นมามันจะร้องขึ้นมามันก็มีเหตุปัจจัยของมันนั่งสมาธิแล้วจะมีภาพมีเสียงมีอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วจะตกจากที่สูงลงมาก็ให้รู้เฉยๆไปกลับมาที่พุทโธพุทโธไปอย่าตามอย่าตามเหตุการณ์เหล่านั้นไปถ้าตามไปแล้วหลงเดียวจะถูกหลอกมากไปกว่านี้ คำถามจากคุณชูชานั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรขึ้นมาเราจับมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเพื่อทำให้จิตสงบจิตว่างได้ไหมคะไม่คว ร, รอะเพราะมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นอารมณ์ที่เหมาะกับการทำจิตให้ว่างอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปนี่แหะเป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดคำถามจากคุณพีระ ระหว่างภาวนามีการนึกถึงบาปที่เคยก่อไว้ทำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาในจิตผมจะท่องพุทโธให้ถี่ขึ้นเพื่อปิดกั้นความคิดนั้นบางครั้งก็ทำได้แต่บางครั้งก็ยังแทรกอยู่เป็นระยะไม่สามารถสงบได้ควรทำอย่างไรครับอย่าเป็นสนใจมอนให้เราอยู่กับการบริกรรมพุทโธหรืออยากจะเปลี่ยนมาส่วนมนต์แทนก็ได้สวดอิติปิโสไปแทนก็ได้เพราะพุทโธคาเดียวมันอาจจะเอาไม่อยู่ แต่ถ้าเราส่วนอันนี้อีทีพิโสไปเราก็จะอาจจะทําให้เราลืมสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้ครับ้นอาจจะต้องเปลี่ยนเวลาบริกรรมแล้วมันยังไส้ก็ามาอยู่ลองส่วนมนต์แทนส่วดอีทีพิโสไปหลายๆรอบแลเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะค่อยๆหายไปเองแต่เราอย่าไปให้ความสําคัญอย่าไปสนใจมันนั่นเองปล่อยมันคิดไปห้ามมันไม่ได้สติเรายังไม่ทันมันมันก็เลยคิดได้เราก็ต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นด้วยการสวดมนต์ไป คำถามจากคุณชิษณุพงศ์กับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมเคยปาดคอไก่เพื่อทํากับข้าวให้พ่อตาแม่ยายกิน<ม>กับแฟนของผมสองคนแต่ผมไม่อยากทําผมทําโดยไม่ได้ตั้งตัวและตั้งใจผมเคยอธิบายให้ท่านฟังแล้วว่าผมไม่เคยฆ่าสัตว์ท่านก็บอกว่าให้ผมฆ่าให้ครอบครัวกินไม่บาปผมอยากถามพระอาจารย์ว่าแบบนี้ผมจะบาปไหมครับบาปเรามีเป็นผู้ทําเอง ถึงม้ว่าเราจะไม่มีความยินดีที่จะทําแต่เราก็ทํำเรารู้ว่าเรากำลังทําอะไรก็แสดงว่าเรามีเจตนาแต่ว่าเราไม่มีเจตนาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเจตนาก็ต้องเหมือนเราเดินไปแล้วเตะมันอย่างนี้โดยที่ไม่เห็นมันอย่างนี้เรียกว่าไม่มีเจตนาแต่เอาไมดมาแล้วก็จับคอมันมาเฉือนอย่างนี้มันมันต้องมีเจตนาแล้วต้องมีความตั้งใจที่จะทําก็อยากทำเสียก็บอกให้เขาไปซื้อไก่กิงก็ได้ไม่จะต้องมาฆ่าไก่เลย ทำบาปแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียอาจจะได้อาหารอนุชาหนึ่งมือ้อแต่ต่อไปอาจจะต้องกลายเป็นไก่ให้เขาเชือดเนี่ยคำถามจากคุณปัททวีถ้าต้องทำงานกับคนที่ไม่ชอบและหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะหาชอบเขาสิ <laughs> ถ้าชอบได้ก็สบายใจไปถ้าชอบไม่ได้ก็ต้องฝืนต้องทำใจพุโทโธพุธโทโธไปเฉยเฉยไป S <S <an> <S เขาเป็นของเขาอย่างนี้ที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากให้เขาอยากให้เขาทำให้เราชอบเขาเขาก็ทำในสิ่งที่ทำให้เราไม่ชอบเราก็เลยทุกข์เท่านั้นเองต้อง <S an> <S an> คิดว่าเขาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศบางทีก็หนาวบางทีก็ร้อนบางทีฝนตก <S <S <an> <S เราห้ามมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ <S <S <an> <S เราทำใจเฉยๆไปยอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ คำถามหมดเจ้าค่ะทางดีๆเสือกหัดหัดชอบเขาถ้าชอบเขาได้สบายปัญหาอยู่ที่เราไปเกลียดเขาเราไม่อยากจะอยู่ใกล้เขามันก็เลยทำให้ใจเราทุกข์อันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดพ mm hmm. อดีอ่านมีคําถามเข้ามาต่ออ่าเชิญอากาศพระอาจารย์เจ้ า, จาค่ะพอดีเมื่อเกือบสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเจ้าค่ะเดินข้ามถนน แล้วมันแวบเดียวรถกำลังจะชนถึงตัวเจ้าค่ะไม่เคยไม่เคยเจอลักษณะนี้มาก่อนตอนนั้นมันประมวลรู้เลยว่าที่ฝึกมาไม่พอเจ้าค่ะมันมันมันไม่ทันอะไรแล้วได้แต่ในใจมีว่าพุโทโธแค่นั้นแต่ใจก็ยังยังยังโชคดีที่ยังรอดมาได้เจ้าค่ะแต่หลังจากนั้นรู้สึกเลยว่า งั้นได้ที่เราฝึกมานี่ไม่ง่ายเลยมันชัว่วเซี่ยวจริงๆเจ้าค่ะแล้วแล้วควรจะทํายังไงก็ฝึกต่อเจ้าค่ะให้มีสติเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะให้มันมีสัมผัสชัญนยะให้มันมีอย่างต่อเนื่องพอมีต่อเนื่องแล้วสติพออะไรเกิดมาปั๊บสติมันจะเข้ามายับยั้งใจทันทีเลยเจ้าค่ะแสดงว่าสติเรายังแบบเกิดเดับๆับอยู่เจ้าค่ะบางทีก็เผยบางทีก็มีเจ้าค่ะต้องพยายามฝึกให้มันมีอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะ ถ้ามีอยู่อะไรเกิดขึ้นมันจะรู้ทันมันจะทําใจได้ทันทีแล้วค่ะคือตอนนั้นพออย่างดีที่พนเหตุการณ์แต่รู้สึกเลยว่าไอ้พุทธังสลานังขาธทํามันไม่ทันเนาะมันยาวมากมันถ้าประมวลตรงนั้นแล้วจะต้องตายจริงๆไม่พร้อมแช่หรเปล่าก็เลยตอนนั้นต้องเฉยอย่างเดียวเจ้าฝกสมาธิให้เข้าฌานให้ได้โอ้โหถ้าเข้าฌานแล้วใจมันจะเฉยเป็นจล้ค่ะไม่เวลาน่าไม่ยากหรอกให้มีสติเยอะๆแล้วเดี๋ยวนั่งสมาธิมันก็จะรวมได้สำเร็จได้แต่รู้เลยว่าไม่ทันว่า ทันดูทุกดูเวทนาไม่ไม่ทันแล้วอาจาการบ้านก็ทําข้อสอบมันไม่เหมือนกันเจ้าค่ะทำการบ้านเราเพียงแตคิดถึงมันเฮ้ยเผื่อเราโชวรถชนตายจะเป็นยังไงเมทําใจได้แต่พอไปเจอของจริงโมันทําไม่ทันอย่างกิเลสที่รอดค่ะกิเลสมันเร็วกว่าเราเจ้าค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะที่เราได้เห็นความจริงเราจะได้ไม่ประมาทเจ้าค่ะเราจะได้พยายามเผื่อให้ไม่ให้มีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นเจ้าค่ให้ปล่อยวางอ่าอะไรจะเกิดก็เกิดมันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ เจ้า่ะใจเราก็จะนิ่งไม่ไม่เดือดร้อนอะไรเจ้าขาหาเท่าใจขอบคุณอ่าเจ้าท่านต่อไปจะถามอีกไหมถามอีกไหมไหมอ่านหรเราจะทราบ ว, ว่าเราผ่านลำดับกา ร, การพัฒนาการภาวนาได้อย่างไรอยู่ในลำดับไหนห่างไกลจัดเป้าหมายขนาดไหนเวลาอาจารย์ผ่าน ถึงเส้นชัยแล้วจะทราบด้วยตัวเองทุกๆลาดับหรือไม่ครับถ้าเป้าแรกก็คือร่างกายของเราเนี่ยเราต้องปล่อยร่างกายให้ได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเวลามันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ทุกข์กับมันเวลามันจะตายก็ไม่ทุกข์กับมันให้เรารู้เฉยๆไปถ้าเรารู้เฉยๆได้ก็แสดงว่าเราผ่านขั้นร่างกายไปแล้วขั้นต่อไปก็ขั้นกามารมณ์เราเห็นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยงามหล่อเราเราเกิดการอารมณ์หรือเปล่า ถ้าเกิดการมาลพิเราก็ต้องใช้อสุภาษใช้ภาพที่ไม่สวยงามมาดับมันเราต้องหันมันเจริญอาการสามสิบสองดูอาการกต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของคนหรือดูซากศพคนเราทุกคนต่อไปก็ต้องกลายเป็นซากศพไปเราไปหลงรักซากศพดีๆนี่เองเพอเราไม่คิดถึงว่าเป็นซากศพนั้นต้องหันมันพิจารณาซากศพอยู่เรื่อยๆมันพิจารณาดูอาการสามสิบสอง อาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังโครงกระดูกเออยอดเออยหัวใจเออยตับเออยดูไปเรื่อยๆต่อจนกว่ามันจะชินมันจะฝังอยู่ในใจแเราพอเราเห็นร่างกายของใครปุ๊บเนี่ยเหมือนตายเอกเสลยเลยลองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงเลยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วการอารมณ์มันเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะถ้ามันเกิดแล้วก็ใช้ใช้ภาพเหล่านีเา้เข้ามาดับได้ทันทีถ้าเราดับการอารมณ์ได้เราก็ผ่านไปอีกขั้นหนึ่ง เอาขั้นเอาเอาขั้นสงขั้นนี้ก่อนนเะพราะมันมัน่อจะได้แต่ละขั้นนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะขั้นต่อไปก็ต้องไปลปล่อยวางจิตจิตเราก็เปลี่นไปเปลี่ยนมาขึ้นขึลงๆอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างแต่กิเลสเราก็อยากจะให้มันอารมณ์ดีไปอย่างเดียวพอมันไม่อารมณ์ดีเราก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยมากระทบมีเรื่องราวไม่ดีมามันก็ทำให้ใจเราไม่สบาย เหตุเรื่องราวดีมามันก็ทําให้ใจเราสบายเราอยากจะให้มันสบายไปอย่างเดียวไม่ได้เพราะเรายังอยู่ในโลกของตายลักอยู่ก็เพียงแต่เรารู้ทันแล้วปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้ขั้นสุดท้ายขั้นแรกปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปปล่อยวางกามอารมณ์แล้วก็ไปปล่อยวางจิตขั้นสุดท้ายแล้วก็จะหลุดพ้นอเข้าใจยังอ่านคําถามาไรืยังอ่า เข้าใจแล้วนะอยากจะทำอะไรเพิ่มไนหะมอาเชิญขึ้กราบนมักนมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะยมนั่งสมาธิหลายวันหลาย ๆ, ๆชั่วโมงจน จ, นจิตสงบอะค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าสวตสภาวะที่พระอาจารย์บอกว่าเข้าฌานเนี่ยเป็นสภาวะเป็นอย่า ง, างไรเจ้าค่ะอ๋อมันเป็นความสุขมากที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนถ้ามันเข้าฌานได้มันจะรู้ว่ามันเหมือนในคอนเทนเนอร์ เหมือนกับมันเงียบสงบนิ่งเย็นสบายมันพิหน้ามือเป็นหนังมือเลยจิตที่ยังไม่สงบนี่มันยังมีความคิดยังมีอารมณ์มีอะไรเลยต้องคอยควบคุมบังคับมันอยู่แต่พอมันสงบปั๊บนี่เหมือนไม่ต้องทำอะไรเลยมันอยู่นิ่งเฉยมันเย็นมันสบายมันอยู่ในอวกาศอย่างนั้นถ้ามันเจอแล้วมันจะรู้เองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกมาแปลกประหลาดมหาศา์ใจ ถ้ายังไม่เจอก็พูดโทต่อไปไม่ดูลมต่อไปเวลาเจ็บลองเวลาเจ็บอย่าเลาะอย่าอย่าลุกขึ้นมาสิลองใช้สติสู้กับมันต่อไปถ้าผ่านขับเจ็บได้มันก็จะได้ความความสงบที่คล้ายๆกับเวลาจิตรวมเลยก็ได้หมดยังมีคำถามเพิ่มค่ะพระอาจารย์เอาคำถามสุดท้ายก็แล้วกันนะค่ะหมดลคุณเจษ ด, ดาค่ะ ควรจะวางใจอย่างไรเมื่อเครียดจากการทำงานครับก็ปล่อยวางอย่าไปเครียดกับมันคืองานเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราผลมันจะออกมาอย่างไรก็เราก็ห้ามมันไม่ได้เจ้านายจะพอใจหรือไม่พอใจเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้เตรียมตัวออกก็แล้วกันถ้าเตรียมตัวออกแล้วมันก็จะไม่เครียดที่มันเครียดเพราะมันไม่อยากจะออกความอยากอยากอยู่มันเลยทาให้เราเครียดถ้าเราพร้อมที่จะไปแล้วไม่เครียดหรอกไปก็ได้วะอยู่ก็ได้ นะต้องเปลี่ยนใจล้วโอเคเอาแล้วนะวันนี้สำหรับการสนทนาธรรมก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาเสี่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเชอญ